พระพุทธคุณเนี่ยนะที่อธิบายค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์อยู่ด้วยคาว่าตถาคตเนี่ยนะคำว่าตถาคตนั้นเป็นการขยายพระพุทธคุณที่กว้างขวางที่สุดเท่าที่พบรองลงมาก็คือพัขวาเนี่ยนะสองคำนี้อธิบายเยอะที่สุดเลยโดยเฉพาะพักวานั้นอธิบายมากในดีกาตถาคตนี่อธิบายมากใน อัตถคถาทั้งโดยเฉพาะอัตถคถาปรมัาถทีปณีเนี่ย น, นะส่วนอัตถคถาอื่นๆก็อธิบายตามสมควรแต่ก็ยังถือว่าพระตถาคตเนี่ยอธิบายมากเพราะคําว่าตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคํานี้นิยมใช้ใช้หลายแห่งจริงๆ น, นะคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือคําว่าพักวาเนี่ยนะวันใครที่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 ศึกษาพระพุทธคุณให้เข้าใจศึกษาพระธรรมคุณศึกษาพระสังฆคุณให้เข้าใจเมื่อศึกษาเรื่องของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จนมั่นใจก็ศึกษาเรื่องศีลให้ดีๆนะศึกษาเรื่องศีลพอศึกษาเรื่องศีลก็ศึกษาเรื่องกรรมฐานอ่าที่เหมาะกับเจดิตที่สามารถบริหารได้อย่างต่อเนื่องส่วนเอ่อข้อปฏิบัติที่เรียกว่าวิปัสสนานี้ไม่ใช่ปัญหาเลย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 สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าแนะนําสิ่งนั้นเราพร้อมที่จะรับด้วยความสุดจริตใจเนี่ยนะเราก็จะไม่บ่ายเบี่ยงเพราะพอน้อมรับด้วยสุดจริตใ จ, จด้วยศรัทธาที่ตั้งมั่นอย่างนี้แล้วพระสูตรทุกสูตรอย่าลืมว่ามีผู้ตรัสรู้นะพระ อ, องค์จึงตรัสถ้าไม่มีผู้ตรัสรู้พระ อ, องค์ไม่แสดงหรอกพมันพระสูตรแต่ละสูตรเนี่ยถือว่าเพียงพอที่จะพ้นทุก์นเมื่อวานในพาหิยะสูตรก็กล่าวไปแล้วว่า คาถาแม้บทเดียวเนี่ยนะที่ประกอบด้วยประโยชน์ที่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ประเสริฐกว่าคาถาตั้งพันๆคาถาที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์นะนะพันฟังพุทธพจน์นี้ถ้าฟังถูกต้องแล้วถึงไม่มากนักก็ถือว่าเพียงพอที่จะตรัสรู้เพราะที่สําคัญที่สุดว่าพุทธพจน์ทั้งหมดนี้มีวิมุติรสนะนะมีวิมุติรสรสคือความหลุดพ้นพ้นจากวัตทุกข์โดยประการทั้งปวง มันก็หาพระพุทธพจน์ที่เหมาะที่จะทำให้เราพ้นทุกข์นิย้อนกลับมาถึงการทำความเข้าใจในคุณของพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่นั้นคนเข้าใจว่าพุทธประวัติคือพุทธคุณนะพุทธประวัติไม่ใช่พุทธคุณพุทธประวัติก็คือเรื่องราวที่เป็นไปแต่พุทธคุณนี่คือความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้าประวัตินี่มาจากคาว่าประวติคือความเป็นไป ความเป็นไปของการดำเนินชีวิตเรียกว่าพุทธประวัติแต่ที่พูดถึงต่อต่อไปนี้เป็นพุทธคุณคือหมายถึงตัวคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเน้นที่พระคุณนี่มาขึ้นคำว่าตถาคตเนี่ยนะพระตถาคตมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากในหน้าสองสิบหกตรงนี้ยกคำว่าตถาคตมาเป็นตัวอย่างแปดนยยะ พระผ no aan, ants, so quote, ู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าตถาคตโดยเหตุ8ปประการคือชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จมาอย่างนั้นชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จไปอย่างนั้นชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จมาสู่ลักษณะอันทองแท้ชื่อว่าตถาคตเพราะตรัสรู้ชอบยิ่งซึ่งธรรมะอันทองแท้ตามเป็นจริงชื่อว่าตถาคตเพราะทรงเห็นธรรมะอันทองแท้ชื่อว่าตถาคตเพราะมีพระดารัสอันทองแท้ ชื่อว่าตถาคตเพราะทรงกระทําอย่างนั้นชื่อว่าตถาคตเพราะอธรรมว่าครอบงำก็มาดูโดยลําดับเลยนะคำคำแรกก่อนที่บอกว่าเสด็จมาอย่างนั้นถามว่าเป็นอย่างไรที่ว่าพระผู้มีพระภาคชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จมาอย่างนั้นน่ะคำตอบก็คือเหมือนแปลง่ายๆว่ามาเหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อน ถามว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ปางก่อนแต่ปางก่อนมีพระพุทธเจ้าตรงนี้ยกตัวอย่างโดยมากยกตัวอย่างแค่แค่เจ็องค์หนะึ่งวิปัสสีสองสิกขีสามเวสสุภูสี่กโกสันท่าหนะ้าโกโกนาคมณะหกกัสปะก็องค์ที่เจ็ดของเราเขาเรียกว่าเป็นพระฤาษีที่เจ็ดนะของเราองค์ที่เจ็ก็นับถอยหลังองค์นี้เป็นองค์ที่หนึ่งถอยหลังไปเจองค์เนี่ยนะ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 สรรพสัตว์ทั้งปวงปวงในที่นี้หมดเลยใช่ไหมหมดดามดแดงปลวกหมดเลยเอาใครอะ่ะทั้งปวงนี่ก็บอกว่าโลกทั้งหมดเลยอะหมายถึงเวนยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะหมายถึงเวนยสัตว์คือผู้ที่ควรแก่การตรัสรู้เพราะผู้ที่ไม่ควรแก่การตรัสรู้นี่พระองค์นี่แหละเป็นเจ้าของพุทธพจน์ที่ว่าพวกลิ้นไม่รู้รสแกงอะไรนะทัพพีไม่รู้รสแกง <c oughs>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 มันผู้ที่ไม่สั่งสมบุญมาเนี่ยก็ถือว่ายากอยู่แล้วแต่นี้คำว่าเกื้อกูลแก่โลกที่จะบรรลุมรรคผลเน้นเวนยสัจเวทิตัโพวินยูหิวินยูชนคืออุคติตันยูวิปัญจิตันยูในยะบุคคลตรัสรู้ได้ส่วนพวกปทะปรมะทั้งหลายเป็นวาสนาต่อไปหลายท่านอย่าเพิ่งอวดตัวเองเลยว่าเป็นบัวเหนือน้ำก็เป็น ถ้าเป็นปทะศประมะคือพวกชาตินี้ไม่ได้บรรลุทั้งหมดชื่อว่าปทะศประมะหมดเลยถ้าผู้ใดบรรลุชาตินี้ได้เรียกว่าถ้าบรรลุแบบหัวข้อก็อุคติตันยูแต่ว่าหมดสมัยแล้วดูท่านยญบุคคลเท่าที่ได้ยินมายังไม่เคยได้ยินเลยนะแต่ดูพันปีหลังมานี้ยังไม่ได้ยินเลยส่วนนยญบุคคลก็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 นะการตั้งความปรารถนาะที่ประกอบไปด้วยองค์8มีความเป็นมนุษย์เป็นต้นแล้วตั้งความปรารถนาะจึงจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพอตั้งความปรารถนาะที่อาศัยองค์ประชุม8ประการเสร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นพระองค์ก็บำเพ็ญบารมี 3, 0สิบทัศนะคือบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะธิฐานเมตตาอุเบกขาบารมี รวมเป็นสิบ น, นะจัดเป็นบารมี10อุปปารมี10และประมัทธ์ารมีอีก10พระองค์ก็บริจาคมหาบริจาคอีก5ประการถือว่าเป็นการบริจาคที่ยิ่งใหญ่มากและส่งบำเพ็ญบุพภาพประโยคปุพพจริยาการแสดงธรรมเทศนายาตะถะจริยาส่งเคราะญาติโลกทจริยาส่งเคราะห์โลกจนถึงที่สุดแห่งพุทธทจริยาอไอพุทธจริยา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 วงของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นพระองค์มาอย่างไรพระพุทธเจ้าของเราก็มาอย่างนั้นข้อแรกก่อนนะที่บอกว่าท่านตั้งความปรารถนาที่ประกอบไปด้วยองค์8ที่เรียกว่าพินิหารนะพินิหารตัวนั้นหมายถึงความปรารถนาหรือมูลปณิธานการตั้งความปรารถนาก็เนี่ยนะอย่างที่รู้กันว่าเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้การที่จะตรัสรู้ได้เนี่ย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 วัตถุทั้งหลายมันเราจะช่วยให้ผู้อื่นได้วัตถุได้อย่างไรก็สงเคราะห์เข้าไปมันฐานก็คือเจตนาให้เจตนาบริจาคเพันชั้นแรกเลยก็คือน้อมไปเพื่อการให้น้อมไปเพื่อการให้อย่าลืมว่าการบำเพ็ญบารมีทั้งหมดเนี่ยเป็นการกระทําเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายต้องการอะไรก่อนต้องการมหาพูดต้องการทรัพย์สินต้องการปัจจัยสเพราะฉะนั้นเราต้องให้ปัจจัยสี่ก่อนให้อาหาร ให้ที่อยู่อาศัยให้ยาเป็นต้นทีนี้ต่อไปสัตว์ทั้งหลายปรารถนาที่จะมีชีวิตดํารงอยู่ยืนนานใช่ไหมก็ให้ชีวิตเป็นทานเป็นต้นก็เป็นศีลบารมีทีนี้ผู้ที่ประพฤติทานประพฤติศีลเนี่ยน ะ, ะการให้ทานกับการรักษาศีลโดยรวมๆเนี่ยนะมันจะเป็นไปเพื่อความผูกพันท่านก็จเจริญเน่ฆัมมะคือการออกซะเนี่ยนะไม่ได้เมาอน้อมไปเพื่อการผูกพันอะไร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 ให้อีกข้อหนึ่งคือให้ราชสมบัติเป็นฐานถ้าเป็นพระราชาต้องให้ราชสมบัติเป็นฐานได้ทีนี้ไม่ใช่ว่าโวยเสยนาอัามาบเนี่ยนะกระด้างกระเดืองจนเรียกว่าปกครองไม่ขึ้นแลว้วนะสละบาลังโดยโดยถูกเขาบีบให้สละไม่ใช่อย่างนั้นหมายคือว่าตัวเองเป็นที่รักใคร่ของประชาชนบริหารบ้านเมืองไปด้วยดีแต่ก็ต้องสละเพื่อ โพธิยานเนี่ยนะคือให้ผู้อื่นได้หมดเลยไอ้ความที่เป็นนักให้อย่างนี้เนี่ยจึงสามารถให้สัตว์ได้บรรลุมรรคผลได้ถ้าไม่ใช่นักให้นักมหาบริจาคแท้จริงเนี่ยนะให้ผู้อื่นบรรลุมรรคผลไม่ได้ให้คนอื่นได้ดีไม่ได้แม้กระทั่งบอกให้ผู้อื่นไปสวรรค์ยังไม่กล้าแนะนำเลยกลัวคนอื่นเขาจะได้ดีกว่าตัวหรือที่จะให้บรรลุมรรคผลด้วยยิ่งไม่ใช่ฐานนะเพราะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่บุคคลที่ตระหนีเลย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 เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องประพฤติพุทธกิจนะพุทธกิจกิจของความเป็นพระพุทธเจ้าอีกนะเป็นพระพุทธเจ้านี้ก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์อื่นเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านพับถ้าพูดถึงการนอนของท่านท่านนอนน้อยแต่ถึงอย่างนั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ลำบากเพราะแสดงธรรมไปเข้าพระสมาบัติไปด้วยได้เขาอนุโมทนาพรปร้าโปงก็เข้าพระสมาบัติแล้วเนี่ยนะท่านพระองค์นี่มีความสุขแล้วแต่ก่อนหน้านั้นท่านเดือดร้อนมาตลอดก็เพื่อ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 ท่านเหล่านั้นล้วนแต่พอกภูลสติประธานสี่สัมมาประธานสี่ที่บาทสี่อินทรี่ห้าพละห้าพ่อชงเจ็ดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดมาไม่ใช่สละจนไม่เหลืออะไรเลยนะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าฉันขอเสียสละทุกอย่างสละแม้กระทั่งกุสมอย่างเงี้ยนะสละกลายไปเหลือไปกลายเป็นคนขี่อะไรนะกลายเป็นคนอนาถาเที่ยวขอทานเขากินจิตใจก็แห้งเช้าไม่ใช่เลย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 บริบูรณ์ด้วยคุณธรรมคือโพธิปักขยธรรมความที่ท่านเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยโพธิปัจจะธรรมนั้นแหละจึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าภาษาริบทุท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ว่าจะอดีตอนาคตหรือปัจจุบันพระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนแต่ละนิวรณ์หที่ทําใจให้ทุรพลทําจิตให้เศร้าหมองมีมีมจิตเนี่ยตั้งมั่นด้วยสติปัฏฐานสี่อ บ, บรมโพธิชงเจ็ดจึงตรัสรู้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 ถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จไปโดยประการอย่างนั้นเป็นอย่างไรอันนะอันนี้ตอนแรกตถาคตแปลว่ามาใช่ไหมนี่แปลว่าไปพระองค์ไปไหนไปทําไมคําว่าไปนี่เริ่มตั่งกันเมื่อไหรตอบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายทรงอุบัติเดียวนั้นเดี๋ยวนั้นที่ไหนที่ลุมพินีอันน่ะสวนลุมพินีวันประทับยืนด้วยพระยุคลบาทด้วยฝ่าเท้าทั้งคู่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 อาสพีวาจาว่าอโคหามสเมฆเทโสถโสโลกัสอ oh นะยามันตะินัติชานิปุณพโวเนี่ยนะว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเนี่ยนะเป็นอะไรนะอโคหามสเมฆก็คืออัคระเนี่ยก็คืออัคระยอหดนะยอดของคนเชิโถเศโถเชิโถก็คือใหญ่ที่สุดเศโถก็ประเสริฐที่สุดเนี่ยนะนะบัตชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา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 เป็นการไปอย่างทองแท้ไม่ผิดเพราะเป็นบุพนิมิตเป็นเครื่องหมายแห่งการบรรลุคุณวิเศษของพระองค์เองด้วยเป็นเครื่องหมายแห่งการบรรลุคุณวิเศษของสรพพสัตด้วยนี่แหละเรียกว่าไปอย่างนั้นไปอย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งในอันนี้อีกในหนึ่งนะพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นทรงละกามาฉันทะด้วยเนคข ม, มะเสด็จไปอันนี้ถอดแบบฟอร์มปฏิสัมพิธามาหมดเลยนะสาหัวข้อ ออกจากกา ร, รมด้วยเนคขมะก็คืออสุภะเป็นต้นนั่นเองละพยาบาทด้วยอัพยาบาทคือเมตตาละถีนมิธะด้วยอะโลกสัญญาถ้า ง, ง่วงๆก็ไปเปิดไฟให้สว่างมานั่งกลางแก้งดูนะละอุท ธ, ธักกุกุจักด้วยความไม่ฟุ้งซ่านด้วยความสงบละความสงสัยด้วยการกําหนดธรรมทําลายอาวิชชาคือความไม่รู้ด้วยพระยานบรรเทาความไม่ยินดีคืออารติเนเบื่อเหลือเกินที่จะเจริญกุศล เคยไม่ฟังทำไปนานๆมันเบื่อมันเบื่อมเมื่อไหร่จะเลิกสักทีอะไรแบบนี้นะลักษณะนั้นนะเรียกว่าอารติเบื่อที่จะเจริญกุศลก็ต้องมีปรามโมทเนี่ยนะให้เห็นคุณของการเจริญกุศลละธรรมะอันเป็นปฏิปักษ์นั้นเช่นว่าละนิวรห้าด้วยปฐมฌานละวิตกวิจารด้วยทุติยฌ า, านละปีติด้วยตติยฌ า, านละสุขทุกโสมนัตโทมนณตกรกรด้วยจตุทัชฌานละรูปปัจจัย นัตาณตสัญญาปฏิฆาสัญญาด้วยอากาศานัญจายตนะละอากาศานัญจายตนะด้วยวิญญาณนัญจายตนะเป็นต้นจนถึงละอะไรนะละนิจจสัญญาด้วยอนิจจานุปัสนาละสุขสัญญาด้วยทุกขานุปัสนาละอัตสัญญาด้วยอนัตานุปัสนาเป็นต้นและก็ละสกายทิฐิวิจิกิจฉาสีระพตะปรามาด้วยสกะโซดาปฏิมักละกามราคะปฏิฆาย่างยาบด้วยอนาคามีมัก สกะทาคามิมัคแสดงว่าเร็วมากที่รีบจบเลยเนี่ยละกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตมัคกันนะจบทีเดียวเลยนะคือสรุปว่าพระพุทธเจ้าทุกองเนี่ยไปด้วยคุณธรรมสามสิบเจ็ดประการตามนี้แหละฉันใดพระพุทธเจ้าของเราก็ไปอย่างนั้นคิดดูนะถ้ามองตามนี้แะคุณธรรมส7มสิบเจ็ดขั้นสมเป็นไปได้ไหมเรามาดู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 ก็ดูนะใครที่จะไปตามพระพุทธเจ้าก็ดูนะไล่ดูนะสาขั้นเนี่ยต่อไปชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จมาสู่ลักษณะที่ทองแท้อันนี้อัถาที่สมของตถาคตนะนะมาสู่ลักษณะทองแท้เป็นอย่างไรคือชื่อว่าตถาคตเพราะทรงมีพระญาณ น, นักติเสด็จมาถึงคือบรรลุไม่ผิดพลาดซึ่งลักษณะอันทองแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็น อย่างอื่นอันมีธรรมะนั้นเป็นสภาวะพร้อมทั้งกิจเป็นต้นพร้อมทั้งกิจลักษณะก็คือลักษณะที่จะถู ก, กะทุกอย่างไม่มีคำว่าผิดพลาดนนะ ล, ลักษณะนะลักษณะรัปัจุประธานประทัดฐานเป็นต้นของสภาวะธรรมทั้งหมดเนี่ยด้วยอนุภาพของปัญญาของพระองค์นั้นตรัสรู้ไม่ผิดพลาดไม่ผิดเพี้ยนเลยเช่นว่าปฐวีธาตุเนี่ยที่มีลักษณะแข็งแข็ง อาโปธาตมีลักษณ ะ, ะไหลไปหรือกาอกลุ่มเตโชธาตอบอุ่นวายโยธาพัดไปปัตวีอาโปเตโช ว, วายโยเนี่ยนะสี่คำนี่เชื่อไหมอมถึงไหนอมถึงรูปประพบหมดเกลี้ยงเลยส่วนอากาศนี้อมถึงรูปประพบไปด้วยเพราะฉะนั้นปัวีธาตของมนุษย์เทวดาเป็นต้นอาโปธาตเป็นต้นที่แม้กระทั่งปัตวีธาตที่เป็น อยู่ในอาการ3าหรือปฐวีธาตุที่เป็นกสิลนเนี่ยนะพระองค์ตรัสรู้สิ่งเหล่านี้อย่างทะลุโปรงหมดเลยแล้วก็อากาศส ธ, ธาติหรือจิงหายวิญญาณธาตุไปอันหนึ่งนะเรกว่าธาตุหใช่ไหมปฐวีอาโปเตโชวายโยอากาศและวิญญาณธาตุอากาศสธาตินั้นจับไม่ได้ถ่ายไม่ได้นะต่อไปขันหว่ารูป รูปก็คือรูปปณะสลายไปเวทนาสวยอารมณ์สัญญาจำได้หมายรู้สังขารปรุงแต่งวิญญาณรู้แจ้งรวมความว่าลักษณะของขันห้นาอัยสิบสองทาสิอินทรีย์22สัจจะ4ปัจญการปฏิจจสมุปบาท12สติปสติประทานสสัมมาประธาน4ี่อิทธิบาทสอินทรีย์ห้าพละหโพชองเจอริยมรรคมีองค์8วิสุทธิเจจนถึงอมตนิพพาน ลักษณะเหล่านี้สิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้เนี่ยไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนไม่มีพลาดเป็นการตรัสรู้อย่างจริงแท้เนี่ยนะโดยที่สุดเนี่ยถึงตรัสรู้พระนิพพานเนี่ยนะของเราพอจะรู้จริงบัางก็แข็งนี่ยเล ย, ยรู้ว่ายังไงแข็งแค่นแข็งพอไหมพอไหมที่จะแทงตลอดพระนิพพานก็นั่นแหละรู้ปฐวีาธาตุเป็นเบื้องต้นตรัสรู้นิพพานเป็นที่สุดนนแล้เอาให้มันอย่างนั้นนะไม่ใช่แข็งแข็งแข็งแข็งให้ก็แข็งกันสิ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 อริยสัจ ส, สี่สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายอริยสัจ ส, สี่เหล่านี้เนี่ยเป็นของแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นอริยสัจ ส, สี่อะไรบ้างดูก่อนพิสูทั้งหลายคำที่ว่านี้ทุกเนี่ยนั่นเป็นของแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นนี้สมุ ท, ทัยอ่นี้ทุกขะสมุทัยเนี่ยนะ อันนี้ก็เป็นของแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นนี้ทุกขนิโรธนี้ก็เป็นของแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทานนั่นก็เป็นของแท้เป็นของที่ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นนพันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ยิ่งซึ่งอริยสัจสี่เหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าตถาคตเพราะตรัสรู้อริยสัจสีนั้นอย่างทองแท้ของเรานี้ได้ยินอริยสัจ4ี่ใช่ ได้ยินเนาะยังไม่ตรัสรู้นะอีกหน่อยเพินนะ่เนาะสักวันหนึ่งเถอนะเนี่ยนะตรัสรู้ว่ายังไงเนาะนี่ทุกเลยนะส่องกระจกเมื่อไหร่ก็ น, นี่ทุกอย่างงี้เลยหนระือวยิ้มแป้อยนะู่นั่นนี่ยนะไม่ทุกสัทีหนึ่งสบายเนี่ยนะต่อไปอัดที่จริงแท้ก็คือแทงตลอดปฏิจจสมุปบาทที่ว่าชารามรณะเกิดและเป็นไปเพราะชาติเป็นปัจจัย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 อันนี้คือความจริงที่สัตว์ทั่วไปไม่รู้เนี่ยนะถ้าโดยธรรมดาทั่วๆไปนะแก่ตายเมื่อไหร่ยังไงก็มาจากเกิดใช่ไหมเกิดเท่าไหร่มันก็แก่ตายเท่านั้นนั่นแหละแต่ว่าที่แก่ตายเนี่ยนะมันรู้แค่นั้นไม่พอมันต้องรู้ว่าความแก่ความตายเนี่ยนะเหตุให้แก่ให้ตายความดับความแก่และความตายข้อปฏิบัติให้พ้นจากความแก่และความตายเนี่ยนะทำยังไงตรงนั้นอนะที่พระพุทธเจ้า ตรัสรู้และการตรัสรู้นั้นท่องแท้ไม่ผิดไม่พลาดไม่กลายเป็นอย่างอื่นนะเจาจึงเรียกว่าพระตถาคตเพราะตรัสรู้ยิ่งอริยสัจส์4อย่างทองแท้ น, ะนันก็เมื่อใดที่เราแทงตลอดปฏิจจสมุปบาทเอปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจต่างกันตรงไหนอนต่างกันยังไ ง, งท่านบอกเออปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจบอกว่าอีกสูตรหนึ่งบอกพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ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 ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันก็แบ่งเนอะไเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันใช่ไหมอดีตเนี่ยกว่าจะมาเห็นเนี่มายัางไงอนาคตต่อไปเห็นแล้วมันจะเป็นอะไรปัจจุบันเนี่ยองค์ประกอบของการเห็นคืออะไรแล้วการเห็นเหล่านี้มีอะไรเป็นปัจจัยเป็นต้นเนี่ยต้องตอบให้ได้ทั้งหมดเนี่ยนะตอบได้จนกว่าจะเข้าใจจนไม่ใช่ว่ามานนั่งคอยตอบปัญหานะมันเป็นความเข้าใจอย่างความจริงแท้ของชีวิตเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเรียนพวกนี้เพื่อเอาไป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 ปหาณปริญญาถ้าได้ปริญญาที่พระพุทธเจ้าประทานให้คือทุกขสัสต์ปริญญากิจใช่มสมุทัยศาสตร์ก็ถ้าทถ้ามีปริญญาจริงต้องละได้ทละจริงต้องทำให้แจ้งได้ที่แจ้งได้ก็เพราะเจริญเจริญเป็นเนี่ยนะเพราะนั้นถ้ากำหนดรู้ละเจริญทำให้แจ้งนั่นแหละที่เรียกว่าแทงตลอดอริยศัตร์แล้วก็อริยสัต์พระองค์บอกว่าบัญญัติลงใน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 โดยนายเป็นต้นว่ารูปที่ชื่อว่ารูปายตนะนั้นน่ะเป็นไนคือรูปที่เห็นได้รูปคือที่เห็นได้ง่ายกระทบได้ง่ายหรือว่าที่เห็นได้กระทบได้นะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเขียวสีเหลืองรูปเหล่านี้ก็อาศัยมหาภูตรูปสี่เนี่ยนะที่เรียกว่ามหาภูตรูปสี่เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสีสีเหล่านั้นก็มาแจกเป็นอิทธารมอนิทารมอารมณ์ที่น่าปรานาไม่น่าปรานาเป็นต้น แล้วก็เอามาแสดงโดยบทที่ว่าทิศฐังสุตังมุตังวิญญาตังเป็นต้นก็เอามาจําแนแกแจกแจงได้อย่างละเอียดกว้างขวางหาที่สุดไม่ได้ตกลงคืออะไรคือถ้าคิดง่ายๆว่าสิ่งที่สัตว์ทุกชนิดเห็นเนี่ยนะอยากคิดนะว่าพระพุทธเจ้าไม่เห็นเห็นสิ่งที่สัตว์เห็นเนี่ยนะสีขาวสีเขียวสีเหลืองเห็นที่ไหนเมื่ อ, อไรอย่างไรเป็นต้น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 ใกล้เมืองสาวัตถีน่มันมีเนินเรียกว่าเจดีตรงควงไม้เอ่อควงต้นมะม่วงเรียกว่าคันดามพรกถามแขกว่าตรงนี้เาเรียกอะไรเรียกแอร์พอร์ตางั้นแอร์พอร์ตแขกก็คือที่พระพุทธเจ้าแสดงยงมากาปาฏิหาริเหาะเป็นต้นนะเาก็เลยเรียกแอร์พอร์ตางั้นสนามบินเาว่าถามไอ้สาสีเาว่าสนามบินเขาว่าแอร์พอร์ต <c oughs> <c oughs> ที่พระพุทธเจ้าเหาะนะที่แสดงพระพุทธเจ้าแสดงยงมากาปาฏิหาร แต่ถ้าขึ้นไปบนนั้นจริงๆก็จะเห็นภาพกว้างมา ก, ก น, นะที่พระพุทธเจ้าแสดงยะมะกะปารติหารตรงนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยนะมาเป็นรัศมีเป็นหลายสิบกิโลที่มาชมยะมะกะปารติหารขณะเดียวกันไม่ใช่มีแต่มนุษย์เทวดาและพรหมก็มาเยอะแยะทั้งหมดระหว่างนั้นพระพุทธเจ้าแสดงยะมะกะปารติหาร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 เคยแสดงไหมพระองค์เทศแบบเผื่อๆนะเ อ, อ่อถ้าอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นจะเป็นอย่างโ น, น้นพูดแบบพูดแบบอะไรนะพูดแบบเป็นคนมีสองแง่สองงามสองเงื่อนแล้วแต่เธอจะเอาไปคิดกันเองเอนะมีไหมไม่ไ ม, มีในโลกนี้ไม่มีใครพูดความจริงชัดเจนหนึ่งสองสามสี่ห้าบอกตรงเป๊ะหมดเลยไม่มีเดากะว่าถ่าว่าเผื่อว่า นี่นะถ้าเธ อ, อยังนี่ยไม่มีมีแต่จริงแท้มีแต่ความจริงแท้บอกเลยเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่ยืนยันขนาดนี้เนี่ยนะแต่ว่าไม่ค่อยชอบอ่านเชื่อไหมพระไตปิฎกไอ้จริงๆขนาดนี้ไม่อ่านแต่ไปอ่านไอแบบเพื่อว่าถ้าว่าโอ้ยอ่านจริงๆเลยนะเล่มนั้นนะถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนู่นมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยนวะวิจารณ์กันแหลกไปหมดถ้าอย่างนั้นคนชอบมากไอ้ถ้าบอกจริงๆแล้วก็เอ๊ะไม่ค่อยเอาเท่าไหร่เนี่ยนะ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 บางแห่งก็บอกว่าคนที่ได้รับรางวัลสูงๆจริงๆก็คือสามารถบอกว่าที่อาจารย์พูดมาก่อนๆนี้ผิดคนนั้นก็จะได้รับรางวัลชั้นสูงของโลกเนี่ยนะท่าะะนไอคนรุ่นหลังมาก็จะบอกว่าอาจารย์ที่ก่อนเนี่าายที่ว่าดีนั่นนะผิดอีกก็จะมีแต่อย่างนี้ไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆเพราะฉะนั้นอีกช่วงหนึ่งนะอย่างแม้กระทั่งวงการแพทย์เป็นต้นช่วงหนึ่งชมยาบางกลุม่มอีกพักหนึ่งนะมาบอกไอยานั้นเลวมากอ่นะ แล้วอีกกลุ่มใหม่บอกว่าเอออันนั้นก็ใช้ได้อันนี้ก็ใช้ได้ถูกทั้งสองอันนี้ก็ได้ดีอีกอย่างเงี้ยนะมันไม่ค่อยแน่นอนอะไรหรอก <c ười> ไม่เหมือนคําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนพระพุทธเจ้านี่แน่นอนเสมอใครมาใครออกมาคานบั่งวิจารณ์แหลกเลยพระไตรปิฎกสูตรนี้ผิดอย่างนี้สูตรนั้นผิดอย่างนั้นความจริงจริงจมันเป็นอย่างนี้อันนี้ใช้ไม่ได้ น, นะเอามาไล่ทีละคําที่เราบททีท่เราบทแบบนี้มีใครทําบ้างไหมไม่มีเนี่ยนะแป <c ười> ลงทําเป็นโง่เฉยๆแล้วไม่สนใจอันนี้อไม่มีใช่ไหม ปิดหูปิดตาไม่ยอมอ่านแล้ววิจาร์ว่าพระไตรปิฎกไม่ถูกนะเขามีพระรูปหนึ่งนะไม่รู้บวชมาได้ยังไงเขาบอกเขาไม่เชื่อหรอกพระไตรปิฎกมันถูกเคยอ่านไหมเขาบอกมันต้องมีผิดแน่แหละเพราะว่างั้นผิดอะไรจะต้องมีพิมพ์ผักอักษรผิดบ้างเพราะว่างั้นนะอ่านหรือยังบอกอยังอย่างเงี้ยมันไม่รู้บวชมาทําไมก็ไม่รู้นั่นนั้นก็ยังว่านะ มาดูเชื่อว่าตถาคตเพราะพระองค์มีวาทาที่ทองแท้เ น, นี่ยนะคำพูดของพระองค์เนี่ยเป็นจริงจริ ง, รงคือพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะตรัสรู้ยิ่งซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใดและทรงปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธ า, าตุในราตรีใดระหว่างนี้มีเวลาประมาณได้4 5าพันษาตลอดระยะเวลาแรกตรัสรู้จนถึงปรินิพานพุทธพจน์ทุกคาที่พระองค์ตรัส ทั้งหมดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสุตตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานนิติวุตกะชาตกะอภูตรธรรมเวทละพุทธพจน์ทั้งหมดนั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์และเป็นพุทธพจน์ที่สามารถกำจัดราคะกำจัดความเมาด้วยราคะเมาด้วยโทสะเมาด้วยโมหะเป็นต้นได้อย่างจริงแท้เป็นพุทธพจน์ที่มีอัตตะคือวิมุตติรสเนี่ยนะ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 มาแปลว่าเออมีเหตุผลจนไม่ต้องอ่านนะนะสรุปว่ามีเหตุผลจนต้องโง่ตลอดไปอ่างั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นน่ต้องบอกว่าต้องอ่านให้ได้สิถึงยากเนี่ยนะเออนี่ของของดีแทๆ้ๆมีอะไรง่ายบ้างเอาของในโลกของดีของเลิศของประเสริฐวิชาอะไรที่มันของของถูกของต้องของดีจริงนะ่ยมีอะไรง่ายบ้างานอกจากมักง่ายเนี่ยไม่มีหรอกมีแต่ยากยากทั้งนั้นแหละทุกอย่างที่มาตรฐานในโลกเพราะฉะนั้นทํายังไงที่เราจะได้มีโอกาสได้อ่านได้เรียนได้ฟัง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 แต่นี้มันแหมก็ไม่ง้เออโง่ต่อไปก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ประมาณเพราะฉะนั้นสรุปหาเหตุผลจนบอกว่าไม่อ่านอ่ะถูกต้องแล้วนะไม่อ่านพระไตรปิฎกเนี่ยถูกต้องแล้วเนี่ยนะเพราะยากลึกอ่านแล้วไม่รู้เรื่องอ่านแล้วไม่เข้าใจอย่างงี้ยนะเขบอกว่าอะไรจะขวางกั้นตัวเองขนาดนั้นอย่าไปเลยนิพผานมางั้นนะอยู่ในวัดตะเดินทางมันไปเรื่อยๆจะหลังน้ําตาสักเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะว่างั้น ก็เลยบอกทางไปนิพผ่านนี่ยมันยากพระพุทธเจ้าบอกว่าทางนี้เป็นทางสายเดียวว่า ง, งั้นทางตรงเนี่ยนะปฏิบัติแล้วไม่โคดไม่เอียงไม่เอานะขอไปทางโค้งๆดีกว่านะ <c oughs> ทางไปไหนมัน <c> แ <oughs> ปลกบายไหลไปไห ล, าหลามาเลยหมดโอกาสเลย <c oughs> เพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคําสอนที่พูดไว้อย่างชัดเจนที่สุดไม่มีใครที่พูดอะไรได้ชัดเจนเท่ากับพระพุทธเจ้าอีกแล้วเนี่ยนะ อย่างนรกสวรรค์เป็นต้นเนี่ยเออน่าจะมีมั้งนรกอย่างเงี้ยนะน่าจะใช่ไหมไม่มีอบายทุกติวินิบาดนรกเนี่ยพูดอย่างมั่นใจด้วยนะองค์อาสงาพาเผยแล้วก็ไม่มีใครกล้าค้านด้วยแล้วบอกด้วยนะว่าถ้าเธออยากเห็นนรกเธอทําอย่างนี้สิออบอกข้อปฏิบัติไว้เบ็ดเสร็จหมดนะนะว่าปัญหาว่าทําตามได้หรือเปล่าอีก น, นนะทุกอย่างของพระพุทธเจ้าไม่มีซ่อนเงื่อนบอกทุกอย่างนะจนเป็นผู้ที่บอกเลยว่าไม่มีใครว่าไม่มีอะไรในกรรำมืออาจารย์ เป็นอาจารย์ที่ที่มีคุณสมบัติของความเป็นอาจารย์ที่สุดที่เรียกว่าศาสถาเทวมนุษย์สานังเนี่ยนะเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นเป็นาศาสดาที่ที่สอนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งขณะเดียวกันก็พาออกจากชาติชรามรณะพาออกจากวัตะเนี่ยนะซึ่งพระองค์ก็ยืนยันก่อนจะปรินิาพานพระองค์ก็ยังยืนยันอีกว่าจนทะ ก็ตถาคตตรัสรู้ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีคือวันวิสาขะเพ็นเดือนหกและปรินิพานในวันวิสาขะเพ็นเดือนหกอีกเหมือนกันตลอดระยะเวลาระหว่างนี้ภาสิตคำที่พูดกล่าวแสดงธรรมะใดธรรมะนั้นทั้งหมดย่อมเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหาได้เป็นอย่างอื่นไม่เพราะฉะนั้นเขาจึงเฉลิมพนาว่าตถาคตเพราะ 45ปีแล้วมีปัญญาเท่าภาษาริบบทเคยเห็นภาษาริบบท ต, ตามคานไหม mm hmm. ไม่ใช่พระองค์ว่าปีนั้นอะ่ะพระองค์ตรัสอย่างนี้นะปีนี้ทำไมพระองค์เปลี่ย น, นะนะนะนอนเนี้ยนะท่านนนเนี่ยจาแม่นที่สุดใช่ไหมตอนนั้นพระเจ้าทําไมตอนนั้นอ่ะพระองค์ว่าอย่างนี้ตอนนี้ทําไมมาเปลี่ยนแล้วพระเจ้าข่าเป็นต้นะ่ะไม่มีนะท่านนนจาแม่นที่สุดยังกระเครื่องยิ่งกว่าเครื่องบันทึกเสียงอีกนะนะเพราะเครื่องบันทึกเสียงก็รับได้แต่รับแต่เฉพาะนั้นแล้วท่านแบบฟังแล้วเข้าใจอย่างทะลุโ ป, ปร่ปรงแยกแยะออกแล้ว คนคิดมาทุกคํานะท่านบอกไม่เห็นมีขัดอะไรกันเลยเนี่ยนะนั้นข้าใครมองว่าพระไตรปิฎกขัดกันเองเนี่ยนะพุทธพจน์สูตรนั้นขัดกับสูตรโน้นสูตรโน้นขัดกับสูตรนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าใครทําได้จริงๆเนี่ยก็เก่งกว่าพระอานนท์เก่งกว่าภาษาริบุตรเอาทีนี้ออกมาถามบ้างเราอะสัพเพธรร ม, มานาตากับอัตติหออัตโนนาโถต่างกันไหมเอา้าเขบอกว่าทำทั้งปวงเป็นนาณตา พออีกภาคหนึ่งพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอัตหิอัตโนนาโ ถ, โถตนเป็นที่พึ่งของตนเต่างกันหรือไม่ต่างกันนะก็เอาไปคิดดูกันแล้วกันคือสรุปว่าพุทธพจน์ทั้งหมดเนี่ยนะไม่มีผิดไม่มีพลาดไม่มีเพี้ยนถูกต้องเสมอแต่เราอาจจะเข้าใจพุทธพจน์ไม่ถูกต้องก็ได้เนะอาจจะเข้าใจพุทธพจน์ไม่ตลอดสายก็ได้ มาดูพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้จริงขนาดนี้บางคนนะเขาบอกว่าในโลกเนี่ยบางคนเนี่ยรู้แต่พูดใช่ไหมแต่ไม่รู้จักกระทําเลยรู้แต่พูดไม่รู้จักปฏิบัติพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นไหมมาดูพระตถาคตต่ตอไปเชื่อว่าตาถาคตเพราะกระทําอย่างนั้นเมื่อกี้เนี่ยพูดแล้วใช่ไหมนี่มาทําดูแลสิ่งที่พระองค์ทําว่าความจริงเนี่ยพระกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยคล้อยตามพระวาจาการกระทําทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามแนวของคําพูดทุกอย่าง คำพูดทั้งหมดนี่ก็ไม่ขัดกับกายเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงเป็นยะถาวาทีตถาการีแปลว่าพูดอย่างใดก็ทำอย่างนั้นเป็นยะถาการีตถาวาทีทำอย่างใดก็พูดอย่างนั้นอธิบายว่าทั้งพระวาจาทั้งพระกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพูดเป็นอย่างนั้นย่อมมีด้วยประการใดพระองค์นี่ดำเนินไปคือเป็นไปโดยประการนั้น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 เคยได้ยินมาพูดเ จ, าจานะ้าหน้าทาเรานะเราจะต้องอ ى, พระองค์แบอกแบบอะไรนะพูดเผื่อๆนะเราว่าเราจะต้องทำอันนั้นอันนั้นอันนั้นอันนั้นมีไหมแล้วก็ทําไม่ได้ไม่มีเนี่ยนะแล้วทําอะไรแล้วค่อยมาพูดทีหลังก็ไม่มีพระองค์เนี่ยเป็นไปตามเรียกว่าสอดคล้องดังนั้นเป็นทั้งอะไรนะเป็นผู้ที่พูดด้วยทําด้ว ย, ดดว ย, ดดวยทําด้วยพูดด้วยพูดด้วยทําด้วยเนี่ยนะไม่มีการขัดกันเองเนี่ยนะซึ่งคนทั่วไปในโลกอันนี้มันดีแต่พูดไม่รู้จักทำนะไอคนเนี้ยดีแต่ทําพูดไม่เป็นเนไ ซึ่งก็เป็นเป็นเหตุให้คนเขาตําหนิกันเองใช่ไหมในยุคเนี้ยแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นไปหาศาสดาที่ไหนดีกว่านี้อีกแล้วนะแต่เชื่อไหมไม่ค่อยนับถือพระพุทธเจ้าอยนี้คือถ้านับถือพระพุทธเจ้านะเชื่อไหมศาสนาไม่มีคํำว่าเสื่อมแต่ทําไมที่ทุกวันนี้มันเสือเส่อมลงเสื่อมลงก็เพราะว่าไม่ค่อยนับถือพระพุทธเจ้าพอไปนับถือคนอื่นกินเอาผู้อื่นแทนพระพุทธเจ้าไปแล้วก็เลยเสียหายเลยแค่นี้ ก็ผู้ทางสารนังคัจฉามิแต่วาจาเนี่ยนะแต่วาจาก็กลายเป็นว่าเอาไปเอามาก็ตกจากสาระไปนานแล้วเนี่ยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเขามาว่าเสื่อมอะไรก็ช่างเถอะตาจะเสื่อมหูจะเสื่อมอยังไงก็ช่างเถอะขอศรัทธาอย่าได้เสื่อมจากพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยนะให้มีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าเถอะนั่นจะเป็นไปเพื่อพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตและนรกเนี่ยนะเพราะว่า เดี๋ยวก็โบกมืออำลากันแล้วใช่ไหมวันนี้ตายไปเท่าไหร่นะร้อยกว่าใช่ไหมร้อยกว่าวันเนี้ยวันเนี้ยตายไปร้อยกว่าจนพรวันนี้ตายไปรอ้รนนยปรอยกว่าแล้วเนี่ยก็โบกมืออำลากันอีกแล้ว น, นะเขามายังนึกในใจเลยนะเคยบางแห่งเนะี่ยบอกเอ๊ะที่ห้าปีนี้จะเหลือเท่าไหร่น้ออีกสิปีนี้จะเหลือสักเท่าไหร่น้อบางทีคนพูดอาจจะไม่เหลือแล้วก็ได้เนี่ยนะสังขารทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แหละอานุ์เราเคยบอกเคยเตือนไปแล้วไม่ใช่หรือ ว่าเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรับของชอบใจทั้งสิ้นไปสรุปว่าตายหมดเกิดมาเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นเนี่ยนะมันก็ยังไงยังไงก็จะได้เขาบอกว่าธาตุดินยังเปลี่ยนธาตุน้ําก็เปลี่ยนธาตุไฟก็เปลี่ยนธาตุลมก็เปลี่ยนแต่ใจของอริยาสาวกที่ตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าไม่เปลี่ยนมันเมื่อใดเนอะศรัทธาของเราจะตั้งมั่นแบบนั้นบ้างบางคนก็เลยทงก็ศรัทธาไม่เที่ยงเขาว่าไง ทำ อ, อ, อย่างนี้ทำเป็นไม่เที่ยงเลยทำเป็นอนนี้นจังเนะน่ากรุณาที่สุดเลยนะเพราะว่าศรัทธาไม่เที่ยงก็จริงนะโดยสภาวะพราศรัทธาก็เป็นสังขารธรรมแต่เกิดอย่างต่อเนื่องไม่มีเปลี่ยนนะทิาทิทางอันนี้ไม่มีเปลี่ยนต่อไปชื่อว่าตาคาคตเพราะอัถาวครอบงำนะข้อสุดท้ายคือ รู้จริงอย่างนี้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเครื่องมือของผู้ใดข้อสุดท้ายเนี่ยนะมุ่งอธิบายในฐานะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเครื่องมือของผู้ใดเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเชื่อว่าผู้ครอบงำถามว่าเป็นอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าตถาคตเพราะทรงกระทําภวกพรมไว้ในเบื้องบนนะถ้าบนชั้นบนสุดก็คือภวกพรมภวกพรมคือที่ไหน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 เพราะฉะนั้นไม่มีใครเนี่ยเอาศีลสมาธิปัญญามาครอบงํำพระพุทธเจ้าได้เลยพระพุทธเจ้าไม่รู้นะเนี่ยเรารู้กว่าพระพุทธเจ้าอย่างไงเคยได้ยิน้ไหาไม่มีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าครอบงําผู้อื่นเนื้อกว่าผู้อื่นที่สุดว่าด้วยศีลว่าด้วยสมาธิว่าด้วยปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะเพราะฉะนั้นพระคุณของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณนัสสนะเนี่ยช่างไม่ได้หรือกะประมาณไม่ได้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 พระองค์นี่เป็นผู้สูงสุดกว่าสรรพสัตว์เนี่ยนะสัตว์ทั้งมวลเนี่ยพระพุทธเจ้าเหนื้อที่สุดเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพี่สูตทั้งหลายตถาคตเป็นผู้ยิ่งใหญ่ใครๆครอบงําไม่ได้เห็นได้โดยถ่อง เ, อเห็นได้ถ่องแท้แผ่อํานาจไปในโลกพร้อมทั้งเทวโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งเทวดามนุษย์เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพระตถาคตเนี่ยนะพระองค์ตรัสว่าในบรรดาสัตว์สองเท้าสัตว์4เท้าสัตว์ไม่มีเท้าตลอดจนถึงอรูปประพรมพระพุทธพระตถาคต อรหันตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าเลิศที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นมูสัตว์เนี่ยจะ ก, กี่ล้านจั ก, กรวาลก็ตามเธอก็มีพระคุณทั้งหมดช่างเรียกว่าเทียบพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าเนี่สูงที่สุดเนี่ยนะบางคนบอกสูงจนเลิกจนเกินที่จะนับถือหรือเปล่าบางคนก็บอกว่านี่ยเขาว่าไงนะไม่รู้มายังไงอีกไม่ทราบพระพุทธเจ้านี่มีพระคุณหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเจริญพทะคุณเพราะเจริญยังไงก็เจริญไม่หมด เออไม่รู้มายัางไงอีกไม่ทราบเป็นนักวิชาการด้วยนะสอนธรรมะด้วยบางคนอะ่ะมายัางไงไม่ทราบอีกเริ่มขนาดนี้แล้วอ่ะเพราะฉะนันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอ่ะนะก็เจริญตามสมควรแก่ฐานะดวงอาทิตย์จะส่องสว่างไปมากมายขนาดไหนอย่างน้อยที่สุดให้เรามีดวงตามมองเห็นพอที่จะเห็นได้ก็อย่างดีเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้ามีพระคุณหาที่สุดไม่ได้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 ได้อะไรบ้างนะได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาได้วิมุตติได้วิมุตติญาณทัศนนะได้เฮริได้โอตปะเป็นต้นเนี่ยมาถามดูว่าเราได้อะไรจากพระพุทธเจ้ามั่งได้อริยทรัพย์คือศรัทธาอริยทรัพย์คือศีลอริยทรัพย์คือเฮริโอตปะอริยทรัพย์คือสุตะอริยทรัพย์คือปัญญาได้พอหรือยังพอใช้หรือยังเนี่ยนะนั่นพราะพระพุทธเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งรัตนะใช่ไหมเพราะพระพุทธเจ้าชื่อว่าศักกะเพราะมีทรัพย์มาก นี่เราได้อะไรจากพระองค์บ้างถ้าเราไม่ได้อะไรเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าจะว่าอย่างไรใครมาหาพระองค์แล้วไม่ได้อะไรเลยเนี่ย mm hmm. พระองค์จะดีใจไหมพระองค์คงสงสารมากเลยนะดีใจด้วยกรุณาไงเจริญกรุณาจนปีติเ <Yeah. S 1> พระตัตยยชานเป็นต้นไอ้ทุติยชานเกิดนะสงสารจริงๆเลยนะสงสารจับใจเลยนะพระองค์ก็สงสารจริงๆแต่กรุณาเนี่ยไม่ได้เครียดนะเกิด mm. <า> ร, ร่วมกับปีตินะกรุณ <House. S 2> าน<ๆ>ี่เกิดร่วมกับปีติ มันใครที่เสดมาในพระพุทธศาสนาอย่างไรเสียก็ควรที่จะได้เอาประโยชน์ไปให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทําได้นะนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ดินน้ําไฟลมอะไรหรอกแต่ให้อริยทรัพย์ทั้งหลายเพราะว่าในโลกนี้นะพระมหากจัจยนะท่านยืนยันเสมอว่าในโลกนี้สิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือศีลกับปัญญามันเราได้ปัญญาอะไรจากพระพุทธเจ้าบ้างได้กุศลธรรมได้ศีลอะไรจากพระพุทธเจ้าไปบ้าง มันเสียห้าก็จร่วงบ่อยเลยนะตกลกหล่นๆอย่างเงี้ยไม่ดีนะันก็ให้ได้ศสีลไปก็ยังดีอ่ะนะได้หรือว่าได้ฟังไงอย่างเงี้ยได้ยินแว่วๆผ่านหูไม่พอเนา ะ, ะเกี่ยวกับคำ่าตรฐาคตเนี่ยนะก็มาจากศัพท์เขามีศัพ์สำเร็จรูปตังต่อไปนี้ว่าพระดำรัสของพระองค์เนี่ยเหมือนยาวิเศษอ่ะนะยาวิเศษยังไง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 สามีจะเป็นพระอรหันต์ภริยาจะเป็นพระอนาคามีถ้าออกบวชตอนกลางคนสามีจะเป็นพระอนาคามีภระยาจะเป็นพระสกทาคามีถ้าบวชตอนท้ายนะสามีจะเป็นพระสกทาคามีภระยาจะเป็นโสดาบันถ้าทำมาหากินก็จะเป็นมหาเศรษฐีของเมืองแต่ตอนหลังก็สองสามีภระยาถือกับเบื้องเที่ยวขอทานก็มีผู้ถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าไม่ช่วยทั้งๆ ท, ง ท, งที่พอรู้นะว่าเขาเนี่ยพอบรรลุได้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 แตถาคตเป็นแต่คนบอกทางนะก็บอกทางว่าไปอย่างนี้เขาเพลาไปที่อื่ น, นจะไปว่าอะไรเขาใช่เขามาขอทางบอกเออทางเนีเ่สมมติว่า <t une> พระองค์ประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีคนมาถามทางไปเมืองราชเ้ครึก <t une> พระองค <corpse> ์ก็บอกให้หมดอ่ะนะถ้าเขาไม่ไปจะไปว่าอะไรเขาพระนิพพานเป็นต้นก็เหมือนกันพระองค์รู้แล้วพระองค์ก็บอกหมดก็อย่างสมัยอย่างสมัยนี่นพระไตรปิฎกพระองค์ก็สอนไว้หมดแล้วถ้าเขาไม่เปิดอ่านจะไปว่าอะไรเขา ขนาดไม่ว่านะเนี่ยนะมาดูว่า พ, พระพุทธพจน์ทั้งหมดของพระองค์เนี่ยเป็นเทศนาวิาที่สามารถสอนยากย้ายตามอัธยาศัยของสัตว์ได้ขณะเดียวกันเนี่ยการที่สัตว์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังคำสอนของพระองค์ก็เป็นการสั่งสมบุญเนี่ยนะอย่างน้อยผู้ที่เงี่ยวหูลงฟังก็ถือว่ามีวาสนาเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยที่จะให้ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเพราะเหตุนั้น ความที่พระองค์เนี่ยนะมีความสามารถในการแสดงธรรมได้อย่างงดงามและพระองค์เป็นผู้สั่งสมบูรณ์ไว้มากขณะเดียวกันก็ยังเป็นการสอนให้สัตว์ทั้งหลายสั่งสมบูรณ์พระองค์จึงครอบงำคนที่เป็นประประวาตลทิมิชาทิทีิอื่นได้ทั้งหมดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเหมือนแพทยผู้มีอนุภาพมากใช้ยาทิพการาบงูทั้งหลายฉนั้นนะสมัยก่อนนี่ใส่ใช้แต่ยาปราบงูมากเา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 ที่ชื่อว่าเสด็จมาถึงพระพุทธเจ้านี่มาถึงอะไรคือถึงโลกบรรลุถึงโลกทั้งสิ้นโลกก็คืออะไรนะโลกหนึ่งโลก2 3 4ส6 7 8 9 1ห้า1 8ดดโลกหนึ่งคืออะไรสัเพสตาหารติทิกาโลกสองนามัญจะรูปัญจะนามรูปโลกสมติดโสเวทนาเวทนาสมโลกสอาหาร4โลกหอุปาทานขันห้าโลกห อายตนะภายใน6โลกเจวิญญาณทิติเจโลก8โลกธรรม8โลก9สัตววาเ9โลก10อายตนะ10โลก12อายตนะ12โลก18ธาตุโลกเหล่านี้เนี่ยนะพระองค์ตรีรณะปริญญาเรียกว่ารอบรู้โดยการใคร่ครวญทั้งหมดอย่างทะลุปร่ปรงไม่มีเหลือเลยนะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าตถาคต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 พันพระองค์นในไค้ควรวนรอบรู้จริงๆเลยนะขณะเดียวกันพระองค์ในเสด็จไปคือก้าวล่วงโลกสมุทัยโดยท่องแท้ด้วยปานะปริญญาพระองค์นี่ละเรียกว่าเหตุให้เกิดโลกทั้งหมดเนี่ยนะทำหนึ่งที่ควรละคืออะไรนะทำหนึ่งควรละอัสมิมานะทำสองที่ควรละอวิชากับภาวะตันหาทำสามที่ควรละตันหาสามทำสี่ที่ควรละโอคสีทำห้าที่ควรละ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 เยอะมากเนี่ยนะนะละด้วยปหานะปริญญาเนี่ยนะละละด้วยตัดชันนราคะเป็นต้นอย่างหมดเนี่ยนะนะคือละวิปลาสในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเชื่อว่าตถาคตเพรา ะ, ะเสด็จถึงคือบรรลุ ถ, ถึงโลกอนิโรธโดยท่องแท้ด้วยสัจฉิจกิริยาคือการทำให้แจ้งทำให้แจ้งเนี่ยนะนะทำให้แจ้งซึ่งอนนะ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 ก็ตรัสรู้ที่สุดแห่งทุกได้อแล้วข้อปฏิบัติที่ทําให้ตรัสรู้ที่สุดแห่งทุกตรัสรู้โลกล่ะคือเชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จไปคือปฏิบัติโลกะนิโรธคามินีปฏิปทาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิย่อลงมาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็คือ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 ดูความพิสูทั้งหลายโลกัสมุทัยอันตถาคตตรัสรู้ยิ่งแล้ว โ, arrive, โลกัสมุทัยอันตถาคตละได้แล้วดูความพิสูทั้งหลายโลก D, กนิโรธอันตถาคตตรัสรู้ยิ่งแล้วโลกกนิโรธอันตถาคตทาให้แจ้งแล้วดูความพิสูนทั้งหลายโลกะนิโรทคามินีปฏิปทาอันตถาคตตรัสรู้ยิ่งแล้วโลกะนิโรทคามินีปฏิปทาอันตถาคตบําเพ็ญแล้ว ดูก่อนพิสูุ์ทั้งหลายธรรมะทั้งหมดนั้นอันตรถาคตตรัสรู้ยิ่งแล้วในโลกพร้อมทั้งเทวโลกในมารโลก น, นะในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าตถาคตเนี่ยนะก็นี่คือลักษณะของผู้คุณธรรมของผู้ที่เรานับถือว่าเป็นสารณะเมื่อท่านมีความรู้ขนาดนี้ท่านรู้ขนาดนี้ทาให้เราจะไม่ให้ท่านไปนาหน้าเราใช่ไห ผูทางสารนางคัดฉาไม่แปลว่าให้ท่านนําหน้าเราไปทุกเรื่องะปัญหาว่าเราไม่ค่อยเดินตามท่านนี่สอนุญาตให้ท่านนําหน้าได้แต่ข้าพเจ้าเดินตามหรือไม่ตามอีกเรื่องหนึ่งมั้งนั่นเอะข้าพเจ้าไม่ให้พระพุทธเจ้าตามหลังข้าพเจ้าหรอกข้าพเจ้าให้พระองค์เสด็จนําหน้าแต่ข้าพระองค์ก็แอบหนีพักน่ะหนีเที่ยวไว้ยังไงเนี่ยเอาเอากัะเราดูสินึกถึง ค, คิดไปนะพระพุทธเจ้าเสด็จไปรอเราหนะ้าดูมัวแต่ชมอะไรนะมัวแต่มัวแต่เลือกเก็บดอกไม้มานันกันนี่ในแรกผ่านไปนะมาดูตถาคตอีกแปดในในยะที่สองโดยชื่อนี่ก็คล้ายๆกันหมดนะแต่วิธีาธิบายในยะที่สองนี่พิสดารมากเลย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 สมบูรณ์ด้วยเพศคือเป็นชายสา ม, มีเหตุหมายคำว่าชาตินั้นสามารถบรรลุอรหั ต, ตผลได้สได้พบเห็นพระพุทธเจ้าหาต้องเป็นนักบวช 6. สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมคืออภิญญาห้าสมาบัติ 8. 7. ดเจบุญญาธิการหมายถึงสละชีวิตอุทิศพระพุทธเจ้า 8. เป็นผู้มีใจรักอย่างแรงกล้าปรารถนาที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ พันใครที่มีคุณสมบัติแปดประการนี้ก็ปรารถนาสําเร็จทีนี้การตั้งความปรารถนาของท่านท่านก็ประกาศมหาปฏิญญาเรียกว่าเป็นการอะปฏิญญาก็คือยืนยันใช่สมัยนี้เรียกว่าสัตว์จะปฏิญาณใช่ไหมปฏิญาณเลยว่าเราข้ามโลกพร้อมทั้งเทวโลกได้แล้วจากยังสัตว์ให้ข้ามด้วยนี่ไงคือข้ามจากวัตตาและจะพาผู้อื่นข้ามด้วย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 ถ้าใช้คำว่าตรัสรู้ก็คือถ้าเราทําปริญญาแล้วจะให้ผู้อื่นทําปริญญาด้วยเราประหนาแล้วจะให้ผู้อื่นทําประหนะด้วยเราทําให้แจ้งแล้วจะให้ผู้อื่นทําให้แจ้งด้วยเราจเจริญอริยมรรคแล้วจะให้ผู้อื่นจเจริญด้วยเนี่ยนะดูว่าผู้อื่นคือเราทั้งหลายจะทําตามได้แค่ไหนนะท่านก็ตั้งใจจริงๆเลยนะพระพุทธเจ้าดูแลพระองค์ก็ตั้งใจจริงๆเลยนะที่จะช่วยเหลือเราเนี่ยนะปัญหาว่าเราช่วยเหลือตัวเองม้างไม่ช่วยบ้างเนี่ยนะน่าหนักใจเหมือนกันนะ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 จากยังโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามด้วยตัดกระแสกิเลสอันนี้ก็เป็นสมุทัยสัตว์ใช่ไหมข้ามข้ามสงสารก็คือทุกขสัตว์ทำลายภพสามนะภพสามสงสารในภพสามก็คือทุกขสัตว์ขึ้นสูนาวาคือทำเป็นชื่อของมัคสัตจะถ้าทํากิจอันนี้สําเร็จแล้วจกให้เทวโลกเป็นต้นข้ามได้ด้วย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 หมดธรรมนั้นก็คือบา ร, รมีใช่ไหตอนแรกท่านค้นคว้าก่อนว่าอะไรคือธรรมะที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาองค์ของบา ร, รมีทั้งหมดแล้วก็สมาทานในการปฏิบัติบา ร, รมีกระทำความเป็นพุทธะแม้ทั้งสิ้นไม่ให้คลาดเคลื่อนแล้วก็ทำได้จริงๆด้วยนะเพราะเหตุที่ทรงบาเพ็ญพระบา ร, รมี30สิบทัศมีทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคข ม, มปั ญ, ญาวิริยะขันติสัจจะิฐานเมตตาอุเบกขา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 ขณะดเดียวกันก็มหาบริจาคหบริจาคอวัยวะบริจาคชีวิตบริจาคบุตรภริยาและราชสมบัติพอกพูนอธิษฐานธรรมสประการสัจจาธิฏฐานอานะอธิษฐานคือสัจจะอธิษฐานคืออุปสมะอธิษฐานคือจาคะอะไรอีกอย่างอานะอุปสมะจาคะอะไรอีกอย่หนึ่งนะไปดูในธาตุวิพังกระสูตรกันแล้วกันพระองค์นี้เพิ่มพูนเอ่อเพิ่มพูนบุญยสมภาระเนี่ยนะ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 จริยาให้ถึงเงื่อนที่สุดอย่างยิ่งสิ่งที่พระ อ, องค์ทาอย่างนี้สิ้นสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากรับจึงได้บรรลุพระอนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณอนุตระก็คือสุดยอดแล้วนะสัมมาสัมโพธิญาณก็คือญาณที่ตรัสรู้ที่สูงสุดสูงสุดยอดเพราะฉะนั้นมหาปฏิยานะมหาปฏิญญา นั้นของพระองค์นั่นแหละจึงเป็นของแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นความผิดพลาดของพระองค์แม้เพียงปลายขนสายหามไม่ีเนี่ย น, นะไม่มีแม้แต่นิดเดียวเป็นการกระทําที่ไม่ผิดไม่พลาดไม่คลาดเคลื่อนจากเป็นจริงเลยนะนันพระองค์จึงสามารถช่วยสรรพสัตวให้ตรัสรู้ได้ก็คิดดูนะพระองค์พอช่วยสัตว์ให้ตรัสรู้ได้คนหนึ่ง <c oughs> เช่นแสดงธรรมาจากจบพันยาโกนัญญาบรรลุท่านดีใจมากเลยนะ โอ้ตั้งใจมานานมากจนสามารถช่วยได้แม้แต่คนเดียวก็ดีใจมากนะเพราะถ้าหากว่าทราบว่าผู้ใดพอจะตรัสรู้แม้แต่คนเดียวจะไกลแค่ไหนพระองค์ก็ไปไปเพื่อสงเคราะห์เขาเนี่ยนะอย่างยักษ์เนี่ยไปเพื่อสงเคราะห์ยักษ์เมื่อวานใช่ไหมอาชากราประกะยักษ์นะไปนั่งให้เขาต่อสู้ทั้งคืนยังไงนะก็คิดดูเพื่อจะสงเคราะห์เขาอะนะไปสงเคราะห์อลรวากะยักษ์ไปให้อลรวาจายักษ์เล่นงานทั้งคืนอนะ่ะก็ยอมนะบอกสมณะออกไปก็ออกสมณะเข้ามาก็เข้าออ นะเพื่อจะส ง, ส, ง ส, องอสงเคราะเขาอะนะยอมเขาทุกอย่างไปหมดแตไ่ไม่ได้ยอมด้วยอะนะยอมทางร่างกายเพื่อให้จิตใจของเขาอ่อนโยนจะได้แสดงทำให้เขาฟังได้ในที่สุดเขาก็พ้นจากทุกได้อะนะ <c oughs> จริงอย่างนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า24พระองค์เหล่านี้คือพระพุทธเจ้าทีปังกรโกรนธัญะมังคลสุมนณะเป็นต้นนะจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ก่อนคือพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะ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 เนะพราะองค์ก็ได้คุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ทุกทุกประการเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จมาคือบรรลุความเป็นผู้ตรัสรู้ยิ่งด้วยมหาปติญญาตามที่ตรัสไว้นั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จมาโดยประการนั้นนั้นใครอยากรู้รายละเอียดที่เต็มเปี่ยมนะก็ดูจากพุทธวงศ์ดูจากจริยาปิฎกและก็ดูจากชาดกทั้งหลายก็จะเห็นข้อปฏิบัติต่าง กว่าที่จะทําให้พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วสิ่งที่เอามาแสดงนี้ก็ถือว่าเศษเสี้ยวนะเนไะเศษเสี้ยวพระเถระผู้ทรงพรไตรบิฎกท่านหนึ่งบอกว่าการปฏิบัติของพระองค์ที่ยกมาให้เห็นในชาดกเป็นต้นเนี่ยนะเหมือนกับน้ําในแก้วน้ําในพานแต่ที่ไม่ได้เอามาแสดงเนี่ยประดุดน้ําในทะเลเห็นไหมพรนบารมีที่พระองค์ทําแล้วพระองค์ไม่ได้เล่าให้สัพพัสสัตว์ฟังนี้หาประมาณไม่ได้เห็นไหม ผลพระองค์นี้จึงชื่อว่าตถาคตเนี่ยนะเพราะเสด็จมาอย่างนั้นเนี่ยนะทีนี้มาดูว่าที่พระองค์เสด็จไปอย่างนั้นเนี่ยไปอย่างไรคือพระโล ก, กนาฏนะพระโล ก, กนาฏแปล ว, ว่าพระผู้เป็นที่พึ่งของโลกเห็นหมูสัตว์ผู้ดําเนินไปลําบากเพราะทุกใหญ่นะว่าหมูสัตว์เนี่ยเป็นพวกอะไรนะพวกมีทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วมีทุกอย่างลงแล้ว พ่อไราชาติทุกชราทุกปยาทีทุกขมรณาโสกัปริเทวะทุกกรทมานัตอุปายาตสรุปว่าไหลไปหาแต่ความทุกเนี่ยนะพระองค์นี้มีใจอันกรุณาเนี่ยให้อาถานขึ้นว่าเนี่ยนะด้วยแรงแห่งมหากรุณาเนี่ยนะกรุณาเจตสิกที่เกิดขึ้นในใจของพระองค์คือทนไม่ได้ที่เห็นผู้อื่นเป็นทุกเนี่ยนะพระองค์ก็เลยเกิดความกล้าหาญขึ้นว่าหมู่สัตว์นั้นไม่มีใครอื่นเป็นที่พึ่ง เราเท่านั้นพ้นจากสังสารทุกข์นี้แล้วจากยังสรรพสัตว์ให้พ้นได้ด้วยไอแรงกรุณาตัวนี้แหละทําให้พระองค์ตั้งความปรารถนาที่เรียกว่าธรรมหาพิณิหารคือการตั้งความปรารถนาเพราะการุณานี่เป็นหลักครั้นแล้วทรงถึงความอุตสาหะให้สําเร็จประโยชน์แก่โลกทั้งสิน้นก็ทําได้จริงๆตามที่ที่ตั้งเอาไว้ด้วยใจกรุณานี่ยนะทำตามที่ทรงตั้งปณิธานเอาไว้ทรงไม่ห่วงใยในพระกาย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 ตอนแรกเอาเต็มที่เลยใช่ไหมวันที่สองก็ลดลงลดลงลักษณะได้เร ว, ว่าหาหนาภาคยาเนี่ยนะตอนแรกก็สมาทานศีลแปดตอนหลังก็ลดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะตอนหลังก็รักษาศีลข้อเดียวก็ได้อย่างงี้ยนะไอ้พวกนี้เรียกว่าหานาภาคยะพวกเสื่อมแต่พระองค์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นและก็ไม่ใช่สังกิเลสะพาคยะนะีไม่ใช่ทําไปกิเลสเล่นงานไปก็ไม่ใช่ทิติภาคยะอีกไม่ใช่ว่าโอ้ยอนุรักษ์นิยมเคยให้ทานเท่าไหร่ก็ตั้มเท่านั้นเคยรักษาศีลเท่าไหร่ก็ทําอยู่เท่านั้น เคยอัดทำบุญเท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้นอ่ะไม่มีการเพิ่มเลยในด้านการเจริญกุศลไม่มีเพิ่มขึ้นอันนี้เรียกว่าทิฏฐิภาคยะพระองค์ไม่เป็นอย่างนั้นโดยที่แท้พระองค์เป็นประพุ่อเป็นจำพวกวิเศษภาคยะอย่างยอดเยี่ยมแท้จริงมีแต่เพิ่มปริมาณยิ่งขึ้นมีแต่เพิ่มปริมาณยิ่งขึ้นทรงสำเร็จพระโพธิสมภารอย่างสิ้นเชิงโดยลําดับร้อยความที่เอาแต่ยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยนะ พระองค์ก็เลยสําเร็จโดยลําดับจนถึงบรรลุอภิสัมโพธิยานเนี่ยนะจนบรรลอุอภิสัมโพธิยานที่โคนตนโพนันแหละเบื้องหน้าแต่นั้นพระองค์นทรงมีใจอันกรุณาเนี่ยมหากรุณานั่นแหละกระตุ้นเตือนแรงกรุณาก็มาบีบเล่นงานพระพุทธเจ้าอี ก, กันนะดีไหมโอ้ยเขาบอกว่าเคยตั้งคําถามนะเออเนี่ยที่เราเริ่มสายพระพุทธเจ้าเรื่อมายตรงไหนกันโดยมากทุกคนตอบเหมือนกันเกือบหมดเลยว่าเพราะกรุณา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 หริอน้หลีกไปอยู่ตรงไหนก็ได้หรือไปให้ผู้ใดผู้หนึ่งอุปถากโดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นมายุ่งก็ได้เข้าพระสมาบัติโดยส่วนเดียวหรือนิไปอยู่ที่ไหนพระองค์ก็ทําได้หมดนะนะแต่ก็ไม่ทําเพราะการุณาน那แหละกระตุ้นเตือนพระองค์ทรงละความยินดีในวิเวกเครียกว่าการุณาเนี่ยนะมันกรุณาเนี่ยใหญ่ถึงขนาดว่าเข้าพระสมาบัติอยู่ต้องออกจากสมาบัติเพื่อจะไปสงเคราะห์สัตว์เนี่ยนะครับกรุณาเนี่ยทำให้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 ไปสงเคราะห์บางหมู่บ้านเนี่ยเขาเอาญ่าอ่ะนะเอาขี้แกลบเอาญ้าอะไรไปถมบ่อน้ําหมดเลยนะเพื่อจะบอกว่าพระพุทธเจ้าจะได้ไม่ต้องผ่านหมู่ไม่ต้องอยู่หมู่บ้านนี้นานจะได้รีบไปไซะนะจะได้ไม่ต้องสสอนชาวบ้านให้เขารู้กันอะไรงี้ยนะบางทีก็อย่างว่าเนี่ยไปให้เขาด่าทั้งคืนก็มีนะบางคนเนี่ยไปรอแล้วก็เขาก็มาด่าด่าด่าจนสะใจเต็มที่เลยนะบางทีก็ เขาก็มาลองดีว่าสมณะโคดมฆ่าอะไรจึงจะจึงจะหลับเป็นสุขว่างั้นนะฆ่าอะไรจึงจะมีความสุขแล้วที่จริงอ่ะเป็นแผนที่จะเล่นงานพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะเรื่องจะไปด่าพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปบางแห่งเนี่ยนะอย่างไปที่เมืองโกสัมพีเนี่ยชาวบ้านที่รับจ้างด่าก็รับจ้างด่าอยู่เจ็วันอย่างเงี้ยพวกนี้ก็ถือว่าวิบากก็น่าดูเหมือนกันนะสาวถีเนี่ยอย่างเมื่อเช้าที่เราฟังนี่ใช่ไหมชาวเมืองสาวัถีก็ด่าพระองค์จริงๆเดี๋ยวสูตรข้างหน้าจะมีอีกเนี่ยนะ ไม่ใช่ว่าพระ อ, องค์ไม่ถูกด่าเป็นต้นเพราะแล้วก็สงฆ์ข้อพระเทวทัตพระเทวทัตยังกลิ้งหินทับอีกใช่ไหมนะ ไ, ไปไปบางทีก็เดินเหน็ดเหนื่อยทั้งวันเพราะฉะนั้นโลกนี้ที่โดยมากเต็มไปด้วยภาลชนก็เหมือนกับอะไรนะเลี้ยงลูกนะอุตส่าห์เลี้ยงมันดีๆมันก็ยังหยิกผมเนี่ยนะดึงผมซะจนแม่นี่ก ร, ก, รกระเซิงไปหมดใช่ไหมไม่ใช่จะเลี้ยงง่ายๆใช่ไหมอุ้มดีๆก็ร้องกระจององไงให้กินให้นอนก็ไม่ใช่ง่า ย, ยะนะแต่ทําไมต้องเลี้ยงอ่ะ ก็กรุณาเนี่ยนะเพราะใจกรุณานั่นแหละเพราะเขาไม่รู้นะภาระแปละว่าเขาชนผู้คนเขาทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้แหละพระองค์นี้ไม่คำหนึงเลยนะว่าความผิดของสัตว์อื่นเนี่ยพระองค์ไม่สนใจว่านั่นเป็นความผิดของเขาอ่ะนะไม่ไม่เอาม า, าไม่เอามามนตรการไม่เอามานึกเลยสําเร็จพุทธกิจคือกิจแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าโดยสิ้นเชิง พระองค์นี้ทําการแนะนําชนที่ควรแนะนําสงเคราะห์เวนยัยสัตว์นะแนะนําในที่นี้หมายถึงเวนยสัตว์สงเคราะห์เวนยัยสัตว์ได้ทั้งหมดในข้อนั้นอาการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอย่างพระมหากรุณาลงในหมู่สัตว์เนี่ยเดี๋ยวจะเรียนข้างหน้าต่อไปเรียนมหากรุณาสมาบัติยานข้างหน้าว่าเพราะฉะนั้นพระโลกกนธาเจ้าผู้เป็นพระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาในสัตว์ทั้งหลายฉันใด อันนี้นะว่าอันนี้พระพุทธเจ้านะมีกรุณาจริงๆอย่างนี้ฉันใดแม้พระโพธิสัตว์ก็ฉันนั้นพระองค์คือพระโพธิสัตว์นี้มีมหากรุณาในหมู่สัตว์ในการบำเพ็ญอภินิหารเป็นต้นถ้าไม่มีกรุณาเนี่ยนะท่านไม่ปรารถนาที่จะช่วยผู้อื่นร้องสํานวนว่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวนี้สบายที่สุดแล้วใช่ไหมเหนื่อยไม่ค่อยเหนื่อยด้วยนะสบายก็สบายไม่ค่อยเหนื่อยด้วย แว่าทําไมพระ อ, องค์ไม่ทําอย่างนั้นเพราะกรุณานั่นแหละเพราะกรุณาเนี่ยเพราะกรุณาแท้ๆเลยนะเรื่องยาวไปอีกเสียสงไขแสนกับถ้าให้กรุณาท่านก็ตรัสรู้แล้วตอนที่อยู่แทบบาดมูลของทัตีปังกรเนี่ยท่านจะเป็นพระเป็นพระสังฆนวกะที่เป็นพระอรหันต์สมบูรณ์ด้วยอภิญญา6กปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดติดตามห้อยกลุ่มภิษสูเ่านั้นไปทันทีเลยนะแต่ก็ไม่เอาเพราะกรุณาเป็นปัจจัย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 และกรุณานี้ก็มีกิจเสมอกันในสัพพะสัตว์ทั้งหลายแม้ในการทั้ง3าอดีตเคยมีกรุณาอย่างไรอนาคตก็จะมีกรุณาฉันนั้นปัจจุบันก็ไม่เป็นอื่นเนี่ยนะเรียกว่ากรุณาเสมอกันในสัตว์ในการสาเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพระตถาคตเพราะเสด็จไปโดยประการนั้นเนี่ยนะก็คือไปด้วยกรุณาจริงๆนะกรุณานั่นแหละกระตุ้นเตือนทําให้เป็นพระพุทธเจ้าถ้ากรุณาไม่มีอยู่ในใจของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็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 คือไอความที่มีปัญญาเนี่ยทายังไงเป็นการช่วยช่วยจริงๆไม่ใช่ไปช่วยเบียดเบียนเขาไม่ใช่ไปช่วยลน้นหล่นทับเขาอ่ะนะไปช่วยสร้างความเดือดร้อนให้แก่เขาพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นเพราะพระองค์มีปัญญาใช่ไหมมีกรุณาด้วยมีปัญญาด้วย <c oughs> นี่ก็มาดูชื่อว่าตถาคตเพราะมาถึงสัจจะอันทองแท้สัจจะคือความจริงใช่ไหมเป็นความจริงที่ทองแท้แน่นอน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 เพราะไม่กล่าวลักษณะแห่งสภาวธรรมพร้อมทั้งกิจให้คลาดเคลื่อนแห่งธรรมะคืออริยสัจสี่นนะอริยมรรคญาณเนี่ยทำให้แทงตลอดอริยสัจสี่แบบไม่ผิดไม่พลาดไม่คลาดไม่เคลื่อนด้วยเลยว่าอริยสัจสี่ที่เป็นปวัตติปวัตติก็คืออะไรปรวัตติคืออะไรเอ่ยหมายถึงสัจจะอะไรเนี่ยปวัตติเป็นชื่อของ อริยศาสตรมีสเท่านั้นแหละดูที่หนึ่งสองสามสี่กขกงเลยนะอะไรประวัติคือจริงบอกบ่อยมากเลยนะทุกขสัจจะเนี่ยนะทุกขสัจจะประวัติใช่ไหมไปเรื่อยโลกอันชารานําไปไม่ยั่งยืนเนี่ยนะไล่ไปสู่ความแก่เนี่ยประวัติแปลว่าความเป็นไปเขียนแบบไทยๆเรียกว่าประวัติประวัติอย่างเช่นประวัติของนายกนาย ง, งเป็นต้นเนี่ยประวัติก็แปลว่าเป็นไปนั่นแหละ เป็นไปก็ถ้าโดยสัจจะก็เป็นทุกขสัจจะนิวัติเลิกไปหวนกลับเป็นชื่อของอะไรสัจจะอะไรที่หวนกลับนิโรสัจจ ะ, จจะเหตุของปวัตติเขาเรียกว่าปวัตะนะคือสมุทัยสัจเหตุที่ทำให้นิวัตไม่ไปในวัตตาก็คือมัคสัจจะอริยมรรคนี่แหละที่ทำให้แทงตลอดอริยสัจทั้งสี่ทั้ง ประวตินิวัติและเหตุของประวัติเหตุของนิวัติเป็นเครื่องรวบรวมยถายธรรมทั้งมวลอย่างนี้ว่านี้ทุกอริยมรรคนะคือตัวแทงตลอดอนนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขนิโร ธ, ขโรธาขามิหนีปฏิปทาและอริยมรรคนี่แหละเป็นตัวจำแนกวิภาก ค, คือจำแนกจำแนกอริยศาสตร์ทั้งสี่จำแนกแยกแยกออกหมดเลยวันนี้ทุกทุกเป็นยังไง ปีละนะบีบคั้นบีบคั้นบีบคันบีบจนนั่งอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่ได้คิดดูเอาได้ไหมไม่ได้บีบให้เห็นอย่างนี้ตลอดไปก็ไม่ได้บีบจนฟังอย่างนี้ตลอดไปก็ไม่ได้สรุปว่าถูกบีบตลอดนะนะแล้วก็สังคตะทุกอย่างล้วนแต่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง่ะนะขันธ์อริยต ن ะล้วนแต่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็สันตาปะเดือดร้อนมากเนี่ยนะนนเดือดร้อนมาก พราะทำให้เดือดร้อนแล้วก็วิปริณธรรมแล้วก็แปรไปในที่สุดนะแปรไปเลยนะสมุทัยศาสตร์จะอายุหนะประมวลมาประมวลมาประมวลมาไหนประมวลมาเกิดไงนะประมวลมาในวะะัฏฏะในภูมิสามแล้วก็สมุทัยศาสตร์นี้เป็นเหตุเหตุไหนไเหตุที่ทําให้สัตว์นี่ไปในวะตะัตฏะนี่แหละเป็นเหตุของทุกข์ สมุทัยศัตร์นี่แหละประกอบสัตว์ไว้กับพเนี่ยนะประกอบไว้ก็คืออะไรนะสังโยคะใช่ไสังโยคะก็คือประกอบไว้ในวัตตะแล้วก็ปริโพทะกังวลอยู่นั่นแหละเนี่ยนะกังวลให้ไม่ต้องไปหลอกอยู่ต่อเธออะไรงี้นะครับสมุทัยศัสตร์นี่มันทำให้คอยห่วงคอยใ ย, ยคอยกังวลอย่าเพิ่งบรรลุเลยเนี่ยนะโ น, น่นก็ยังไม่ได้ไปนี่ก็ยังไม่ได้ทำเป็นต้นเนี่ย มันก็สมุทยสัจจะเข้าเป็นอย่างนั้นทําให้กังวลอย่างก็ว่ากังวลแล้วมันแก้ปัญหาได้อย่างนั้นนะนีโรสัจจะเป็นอย่างไรนีโรสัจจะนี้เป็นนิสรณะสลัดออกธรรมชาติของพระนิพพานเนี่ยคือธรรมชาติที่สลัดจากสังคตะโดยประการทั้งปวงเครียกว่านิสรณะนิสรณะเนี่ยสลัดออกจากวะะัฏฏะนีโรสัจจานั้นวิเวกวิเวกะ วิเวกก็แปลว่าสงัดจากสังขารสังัดจากสังขารทุกชนิดอ่ะ น, นะเพราะว่าเป็นอุปธิวิเวกเนี่ยนะอุปธิวิเวกนิโรสัจจะนั้นเป็นอสังขตะอันปัจจัยอะไรอะไรปรุงแต่งไม่ได้ไม่มีรูปไปแต่งนิพพานเสียงกลิ่นรสเป็นต้นไปแต่งนิพพานไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวที่ไปตบแต่งทนิพพาน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 พระนิพพานเป็นอมะตะเป็นสิ่งที่ดับความตายด้วยเพราะแทงตลอดพระนิพพานนะจากเลิกตายจะตายได้ยังไงนะเพราะไม่เกิดแล้วจะไปตายทําไมส่วนมัคคสัจจะมะัคคสัจจะเป็นยังไงมัคคสัจจะนิสระณโถขอโทษนิยานิกะเนี่ยนะออะไรนะสวดเมื่อเช้าว่าไงและพระธรรมที่ทรงสแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกเนี่ยนะอ่นนะ ท่ตถาคตโลเกอุปนโนอรังสัมมาสัมพุทโธธรมโมจะเทสิโตนิยานิโกอุปปสมิโกปริณิพานิโกเนี่ยนิยานิโกตัวนั้นแหละคือนิสันเนี่ยนิสรณะเออไม่ใช่นิยานิกะเนี่ยนะนิยานิกะก็คือตัวที่นําออกจากทุกเนี่ยนะตัวที่นําออกจากทุกเพราะมันเป็นเหมือนอะไรนะถ้าเราจะหนีจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งมันจะต้องมีเครื่องมือที่ทําให้หนีจากนั้นได้ใช่ไหมเช่นว่าถ้า ถ้าจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งสมมติฝั่งนี้เลวร้ายมากเราจะข้ามจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้นจะต้องมียานพาหนะที่นําออกไปอริยมรรคก็ฉันนั้นเพราะอริยมรรคเนี่ยเป็นเป็นเหตุที่นําสัตว์นี้ออกจากทุกเลยเป็นยานนะนะเป็นยานที่นําออกจากทุกแล้วก็อริยมรรคนี้เป็นเหตุให้เป็นเหตุให้บรรลุนิพพานถ้าไม่มีอริยมรรคเป็นเหตุนะบรรลุนิพพานไม่ได้หรอก อริยามรรคนี้เป็นทัศ น, นะเป็นธรรมชาติที่เห็นพระนิพพานกิจของอริยามรรคคือเห็นนิพพานอริยามรรคนี้เป็นอธิปไตยอธิปไตยคือยิ่งใหญ่ตรงกันข้ามกับทุกขสัตว์ใช่ไหมทุกขสัตย์เหมือนคนกัมพารานาถาแต่ว่ามรรคสัจจะนี้บริบูรณ์ด้วยสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิธิบาทอินทรียพร ะ, ะโพชฌงองค์มรรคบริบูรณ์ด้วยฮิริโอตต ะ, ปะเป็นต้นเนวบริบูรณ์ด้วยกุศลธรรมเกินห้าสิบเนี่ยนะจึงสา ม, มารถออกจากทุกได้แล้วก็ ผู้ที่บรรลุอริยมรรคเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆไม่เรียกว่าคนยากคนจนไม่เรียกว่าคนขัดสนอีกต่อไปเดี๋ยวเรียนข้างหน้าจะเรื่องอะไรนะสุปาพุทธกุตติเนี่ยนะจะรู้ว่าสุ ป, ปาพุทธกุตติเนี่ยพอบรรลุเป็นพระโสดารันเนี่ยนะท้าเท้าสก่ายังต้องหลบให้อ่ะตอนที่แกบรรลุเป็นพอตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาใช่ไหมรัศมีแกมากกว่าเนี่ยนะท้าสก่ายนี่ต้องหลบให้อ่ะเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าสู้กันด้วยแสงนะเทวดาเนี่ยบางที ใครแสงมากอากันคนนั้นก็ต้องคนที่นักนั้นก็ต้องหลบให้นะเพราะดูเข้าไม่ได้มันเจ้ามากนะเป็นเจ้านายที่มีบุญน้อยกว่าบริวาร น, นะนะตอนหลังก็เดือดร้อนมากเลยนะก็ต้องมาฟังธรรมตอนหลังก็ก็เป็นเท้าสักกะคงเดิมมันนะเพราะมีอำนาจมากตอนหลังก็เป็นพระโสดาบันแต่พูดถึงตอนแรกๆเนี่ยเขายิ่งใหญ่มากๆเลยสุปปพุูทักุเทเนี่ยเป็นมนุษย์นี่เป็นคนขี้เรือนเนี่ยนะกินไม่พอยาไส้ไปวันๆนนั่นนะนะพบต่อไปนี่ก็ยิ่งใหญ่มากเลย เดี๋ยวเรียนข้างหน้าก็แล้วกันเั้นผู้ที่แทงตลอดอารยมรักเนี่ยมีอที่ปไตยเนี่ยนะเป็นคนที่เมีอทิปไตยเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยถ้าตรัสรู้อารยมรักแล้วแต่ว่าถ้ายังไม่ตรัสรู้อารยมรักษ์นะกระจอกง่ อ, งอยแน่อนาคตทําไมอ่ะเห็นคนจันทานเนี่ยเราคิดว่าเราพ้นแล้วหรือเห็นสุนัขที่เรือนเป็นต้นเราคิดว่าเราพ้นแล้วหรือไปเห็นสัตว์ในอาบายเ ห, หเห็นมดเห็นแมลงพ้นแล้วหรือ ก็ยังต้องไปกระจอกงอกง่ายกลายเป็นอนาถานนะเวลาเคยเห็นขอทานข้างถนนเป็นต้นไมมคิดว่าเราพ้นแล้วหรือถ้าไม่บรรลุอธิปตัตยธรรมคืออรยิยมรรคเหล่านี้เนี่ยนะจะต้องปฏิบัติให้ถึงมัรคาธิปตัยยะเนี่ยนะคือให้มรรคเป็นใหญ่จริงๆการตรัสรู้อริยสัจทั้งหมดด้วยอนุภาพของอริยมรรคที่จำเนกอริยสัจสี่คือประวัตินิวัติเหตุของประวัตินิวัต แล ะ, ะแทงตลอดวิภาคแห่งอริยสัจทั้ง16หัวข้ อ, ท, อทุกมีสีสมุทัยมี4ีนิโรธมีสีมรคมีสีเียกสิบหัวข้อนี่นะการตรัสรู้นี่เป็นการตรัสรู้โดยไม่งมงายไอ้คำว่าไม่งมงายแปลว่าไม่เละเอะเทอะไม่เลอะเลือนไม่สับสนอ่ะนะเป็นการตรัสรู้โดยไม่งมงายในธรรมะนั้นอันได้ด้วยการตัดขาดธรรมะ อันเป็นฝักฝ่ายแห่งสังกิเลตอันเป็นเหตุการกั้นความอย่างรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงเนี่ยนะอวิชชาเนี่ยมันเป็น ต, ตัวขัดตัวปัดไม่ให้แทงตลอดดังที่กล่าวไปอริยมรรคเนี่ยเป็นตัวทำลายอาวิชชาเนี่ยนะเป็นตัวประหารอาวิชชาเหมือนแสงสว่างประหารความมืดฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะไม่มีผู้อื่นทร ง, ทรงแนะนำขออภัยไม่มีผู้อื่นที่แนะนาพระองค์ พระ อ, องค์นี้เสด็จมาถึงคือมาบรรลุอริยสัจสี่เหล่านั้นด้วยพระ อ, องค์เองไม่น่าเชื่อนะถ้าพระ อ, องค์ตรัสรู้ได้ยังไงนะทั้งส6บหกหัวข้อเนี่ยขนาดของเรามานั่งอ่านนั่งเรียนของท่านยังไม่ค่อยจะเข้าใจว่าท่านพูดอะไรใช่ไหมบางทีว่าอ่านอ่านบอกเออเอใช่ใช่ใช่แล้วพวกนี้อยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่ไหนเนี่ยนะ อยู่ที่นี่นี่ไหนอัะนะนี่แต่นี่มันจุดไหนกันแนะ่อะไรเงี้นะคิดไปคิดมาเนี่มันงงไปหมดเลยอย่างเงี้ยพอเห็นว่าขนาดแนแนวอะไรจนก็ยังยากอีกอยู่ดีว่างั้นเถอะก็คนบุญน้อยก็เป็นอย่างงี้เนละบุญน้อยก็เลยทอเลยใช่ไหมกินลูกทอเลยเฮ้ยถ้าได้ดีเพราะลูกทอสงสัยจะได้ดีกันเยอะแล้วนะพระผู้มีพระภาคเจ้านี่ไม่มีผู้อื่นแนะนําเลยนะ คือคิดดูนะว่าถ้าถ้าเราศึกษาพุทธประวัติโดยเฉพาะชาติสุดท้ายชาติเดียวเนี่ยนะถ้าเราเห็นเฉพาะชาติเดียวเนี่ยเรานึกไม่ออกว่าพราะองค์ตรัสรู้ได้อย่างไรเนี่ยนะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นไปได้เนี่ยนะแล้วก็คนที่แนะนําคนอื่นอย่างอาลาลดาบทอุตกะทาบทก็แนะนําอรูปปชาญบอกว่าโอ้ยนี่แหละนี่พ่านแล้วเนี่ยนะมาเออเรามาเป็นอาจารย์กันดีกว่าเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเขาจะได้บูชากราบไหว้ช่วยกันสั่งสอนรัฐที่เหล่านี้ก็แล้วกันพระองค์ก็บอกไม่ใช่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 เพราะฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าพระตถาคตเพรา ะ, ะเสด็จมาถึงสัจจะอันทองแท้เนี่นนนนนยนะใสได้หัวข้อเท่านี้นะส่วนเรื่องธรรมะในหน้า228เป็นต้นในหัวข้อใหญ่มากก็พรุ่งนี้เช้าก็คงฟังพระพุทธคุณเกี่ยวกับพระตถาคตต่อไปอีกสำหรับวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนด้วยบุญกุศลเหล่านี้ก็จงเป็นปัจจัย ให้เราทั้งหลายมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงในพระตถ า, าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยท้่วกัน